กุติสาลาพออาศัยหากจะกล่าวว่าวัดของท่านเป็นเสมือนหนึ่งทํานบน้ำอันกว้างใหญ่พร้อมเสมอที่จะให้บุคคลได้อาบดื่มใช้สอยและเพื่อกิจการประโยชน์อื่นใดได้ทุกขณะก็คงไม่ผิดไปเมื่อมีจตุปัจจัยเข้ามา มากน้อยเพียงใดท่านไม่เคยหวงแหนเก็บงามไว้เพื่อตัวของท่านหรือเพื่อวัดของท่านเลยมีจะมุ่งทำประโยชน์ช่วยโลกเครื่อยมาเหตุนี้เองภายในวัดป่าบ้านตาดจึงไม่มีสิ่งก่อสร้างสวยสดงดงามหรูหราแต่อย่างใดดังนี้ เงินวัดนี้เงินเพื่อโลกเราไม่ได้เก็บสำหรับวัดนี้ใครจะมาสร้างอะไรให้เราไม่เอานี่ดูสิศาลาของหลวงตานี้ศาลาหลังนี้ก็สี่หนล้วนะเขามาขอสร้างขอรื้อสร้างใหม่กุฏิเราแปดหนมาขอปลูกใหม่ให้ขอรื้อใหม่ปลูกใหม่ถ้าไม่รื้อก็ปลูกใหม่ เราไม่เอาทั้งนั้นหนที่แปดก็ขนาบกันใหญ่สิถึงได้หยุดมาเราไม่ให้สร้างสร้างไปหาประโยชน์อะไรสร้างหัวใจสิที่ประเสริฐเลิศโลกอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่กับอิฐกับปูนกับหินกับทรายไปสร้างมันหายุ่งหาอะไรถ้าไม่ใช่หมาขี่เรื้อนหาเก่าในที่ไม่คัน ฟาดกิเลสตัวมันดิ้นมันดีดให้เก่าเอาตรงนั้นสิไปที่ไหนก็เลยเป็นทำเลเขาเรียกรีสอร์ทรีสแร์ไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้วัดต่างๆกลายเป็นรีสอร์ทรีสแร์ไปละเป็นอย่างนั้นนะาศาสนธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าวัตถุเครื่องก่อสร้างให้ความกังวลวุ่นวายเราคำนึงถึงเรื่องนั้นต่างหากนะ กุฏิหลังที่สร้างขึ้นนี้เขาส่งเงินมาก็บอกตรงๆเลยเขาเห็นเราอยู่กระท่อมสูงแค่เขา่าพื้นก็สับไม้ไผ่เป็นฟากปูสร้างด้วยฟางมุงด้วยหญ้าเราอยู่นั้นพังไปสามหลังหลังที่สี่ถึงได้ปลูกหลังนี้ขึ้นมากุฏิหลังปัจจุบันเพราะปลวกกินต้นเสาล้มลงปลูกใหม่ ช่างพอทราบว่าเป็นกุฏิของเราก็มาต่อว่าเราที่ศาลาคนก็ยังอยู่มากๆนี้เขามาต่อว่าเรายังร้องไห้อีกด้วยบอกว่าครูบาอาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยมาดูกุฏิแล้วหลังเท่ากําปั้นจะอยู่ได้ยังไงเอาตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่นี้เป็นยังไง ท้องของแม่กับกุฏิหลังนี้อะไรใหญ่กว่ากันกุฏิหลังนี้ยืนได้เดินได้นั่งได้นอนได้อย่างสะดวกสบายไปมาได้ในท้องแม่ไปไหนได้ไหมครับแคบยิ่งกว่านี้ยังอยู่ได้ตั้งเก้าเดือนสิบเดือนอันนี้ขนาดนี้แล้วทำไมจะอยู่ไม่ได้ถ้าต้องการกว้าง ก็ไปอยู่ทุ่งอายุธยานั่นสิเขาไม่ยอมสิกลับไปเขาส่งเงินตูมมาทีนี้เราไม่ได้มีข้อสั่งเสียหรือมีข้อแม้อะไรเอาไว้จะส่งกลับคืนก็เหมือนประชดกันนี่เลยได้ฝืนปลูกนะจากนั้นเราก็สั่งเลยเทียวใครจะส่งสิ่งของเงินทองมาให้เกี่ยวกับการก่อสร้าง ในวัดป่าบ้านตาดนี้ต้องให้เราทราบเสียก่อนถ้าส่งมาสุ่มสี่ซุมห้าก่อนหน้านั้นไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ตกลงกันแล้วส่งมาเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จต้องบอกอย่างนั้นเลยเราก็ถือปฏิบัติอย่างนั้นมาใครจะมาสร้างหากไม่ได้ขออนุญาตให้เป็นที่ตกลงใจกันเสียก่อนเราไม่ให้ทำ พออยู่พออยู่ไปแต่ทางจงกรมให้เป็นเหวไปเป็นไรเดินจงกรมมากกระทั่งทางเดินเป็นร่องลึกนั่นแหละทำเจริญพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านดำเนินอย่างนั้นท่านไม่ได้เอาวัตถุออกหน้าออกตาอะไรนี่อยู่ที่ไหนมีแต่เรื่องก่อสร้างถือเป็นใหญ่เป็นโตเป็นหลักศาสนาใหญ่โตเชียว เธอแข่งขันโน่นจะว่าอะไรสาลานี่เขาก็อยากจะมาทำใหม่ให้เราก็ไม่เอาตีเพดานให้เราก็ไม่ให้ตีนั่นนี้มันเหมาะแล้วพอดีแล้วก็รู้ไปอะไรเรื่องโลกโลกให้ก็รู้อยู่ภายในหัวใจสิใสสว่างกระจางแจ้งอยู่ภายในใจนั่น ของอัศจรรย์อยู่ตรงนั้นต่างหากไม่ได้อยู่กับหินกับทรายกับอิฐกระปูนกับเหล็กหลาอะไรนี่อยู่กับธรรมต่างหากทำกลมกลืนกับใจแล้วใจกับธรรมต่างหากประเสริฐหรูหราทำพออยู่ได้พอ นนท่านกล่าวกับพระเนนเมื่อกลางปีพุทธศักราช2522ว่ามีเจ้าศรัทธาท่านหนึ่งเป็นบุคคลสำคัญระดับประเทศจะถวายเงินเพื่อสร้างโบสถ์ทั้งหลัง เรายังไม่อาจรับได้เคยมีบ้างไหมในประเทศไทยและองค์ไหนที่มีผู้ถวายเงินสร้างโบสถ์ทั้งหลังแล้วไม่รับนอกจากครัวตาวาสนาน้อยนี้เท่านั้นจึงไม่อาจรับได้ที่ไม่อาจรับได้นั้นก็มีเหตุผลเหมือนกันความจริงหลักธรรมที่เราเล็งอยู่ยึดถืออยู่ กราบไหว้บูชาเป็นขวัญใจและเทิดทูนสุดจิตสุดใจอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกธาตุสิ่งเหล่านั้นเราไม่ได้เทิดทูนเหมือนธรรมเพราะเป็นเพียงปัจจัยเครื่องอาศัยไปวันๆเท่านั้นส่วนธรรมเป็นเรื่องใหญ่โตมากที่ต้องรักสงวน เรื่องการสร้างโบสถ์สำหรับวัดนี้ยังไม่มีความจำเป็นสิ่งใดที่จำเป็นก็ทำสิ่งนั้นเช่นจิตตะภาวนาเป็นงานจำเป็นอย่างยิ่งการทำอุโบสถสังฆกรรมทำที่ไหนก็ได้ตามร่มไม้ชายเขาที่ไหนก็ได้ไม่ขัดข้องอะไรตามหลักพระบินัยจริงๆแล้วไม่มีอะไรขัดข้อง การสร้างโบสถ์สร้างวิหารควรให้เป็นที่เป็นฐานที่เหมาะที่ควรไม่ใช่จะสร้างด่ไปหมดการสร้างโบสถ์หลังหนึ่งเป็นยังไงนับตั้งแต่เริ่มแรกตกลงกับช่างในการสร้างโบสถ์เป็นยังไงถนนหนทางเข้าไปในวัดจนถึงบริเวณที่จะสร้างโบสถ์จะต้องเปิดโลง่งตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งถึงวันสร้างโบสถ์สเร็จ ต้องบุกเบิกไปหมดยิ่งกว่าโรงงานคนงานก็ต้องมีทั้งหญิงทั้งชายจำนวนมากมายที่จะเข้ามานอนกองกันอยู่นี้ทั้งช่างทั้งคนงานไม่ทราบมาจากแห่งหนึ่ตำบนใดบางรายหรือส่วนมากก็ไม่เคยรู้เลยว่าศาสนาเป็นอย่างไรพระเนนในวัดท่านปฏิบัติอย่างไร แล้วเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพอเป็นความสงบงามตาแก่พระเนรในวัดได้ยังไงมันต้องเหมือนกับเอายักษ์เอเปรตเอาผีเข้ามาทำลายวัดนั่นเองในขณะที่เปิดโอกาสตกลงกันเรียบร้อยแล้วนั่นนะ่ะไม่ว่าผู้คนหญิงชายรสราต่างๆ ต, ต้องเข้าต้องออกกันตลอดเวลา ประตูวัดปิดไม่ได้เลยและสถานที่ที่จะสร้างโบสถ์ขึ้นมาให้เป็นของสง่างามแก่วัดแก่พระสงฆ์ในวัดแต่พระเนนกลับตายกันหมดจากจิตตภาวนาจากมรรคผลนิพพานที่ควรจะได้จะถึงจากสมณธรรมคือจิตตาวนาแล้วจะเอาอะไรมาเป็นความสง่างามอารามตา ลองพิจารณาดูสินี่เราคิดอย่างนั้นและพูดอย่างนี้นะจะเป็นความคิดผิดพูดผิดหรือถูกประการใดบ้าง ไม้สอยตามเหตุผลคากล่าวของท่านเกี่ยวกับเครื่องใช้ไม้สอยอันเหมาะสมแก่บรรพชิตเขาจะถวายรถยนต์เอามาทำไมรถเต็มแผ่นดินเรามีเหตุมีผลทุกอย่างที่ห้ามอะไรพระหามาอะไรหารถไม่ใช่คารวะนี่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 ที่จะตามเข้ามาให้วัดเสียมาฟุ้งเฟ้อเห่เหืมกันเต็มวัดเต็มว่าเลอะเลอะเถอะเถอะไปหมดไม่ทราบว่าวิทยุทโทรทัศน์ตู้เย็นจะแอบตามกันมาทโทรศัพท์ก็จะมาติดขึ้นอีกมาขอสองครั้งแล้วนะผู้ว่าราชการจังหวัดมาติดต่อเราจะขอตั้งทโทรศัพท์ที่วัด เพื่อการติดต่อสะดวกนี้เราก็ไม่เอาเพราะผลประโยชน์ที่จะได้มีเพียงนิดเดียวผลเสียที่ตามมานี้มากต่อมากพัณนาไม่จบไม่สิ้นเลยสมควรแล้วเหรอจะเอาช้างแลกแมวมันจะกลิงกลงกล้งกลางกลิ้งกลางทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาเลยทางไหนก็โทรมาผู้รับสายหนีไปไหนไม่ได้แหละ วันหนึ่งวันหนึ่งจะเข้ามาเท่าไรแม้แต่มาจังหันมาวัดมาว่าก็โทรเข้ามาอย่าว่าแต่ข้างนอกจะโทรเข้ามาเลยข้างในนี้ก็เป็นบ้าไปเลยแหละโทรแหลกนั่นฟังสิเราก็ให้เหตุผลกับผู้ว่าไปก็อุดรกับวัดนี้ไม่เห็นไกลกันมีเหตุผลอะไรมีความจำเป็นอะไรรถวิ่งไปหาครู่เดียวก็ได้ ความมีโทรศัพท์เป็นความเสียหายมากมายแล้วพระเนนจะคึกขนองขึ้นอีกเราว่าอย่างนี้เลยจึงไม่ยอมให้ตั้งทุกสิ่งทุกอย่างเราคิดด้วยเหตุผลทั้งนั้นไม่ว่าจะอนุญาตไม่ว่าจะห้ามเอาให้ค้านมาว่างั้นเลยถ้าเหนือนี้เรายอมรับไม่ว่าใครก็ตาม ถ้าไม่เหนือแล้วเราไม่ทำนะไม่ใช่เรามีทิฏฐิมานะไม่ให้ทำนะเราต้องการเหตุผลดีรักษ า, าศาสนาก็ต้องรักษาด้วยเหตุด้วยผลอะไรที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดกับว า, าศาสนาพระเนนก็ต้องมีเหตุผลสิทำแบบสุ่มเดาได้หรอ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 ที่จำเป็นไปสงเคราะห์ช่วยเหลือและพร้มพรอมๆกันนี้ท่านจะแอบสังเกตอยู่เงียบๆ เ, เพื่อดูข้อวัดปฏิบัติความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพระเนนไปด้วยที่ท่านเน้นย้ำคือดูว่าสำนักนั้นมีทางจงกรมหรือไม่มีร่องรอยการเดินจงกรมของพระเนนหรือไม่เพราะท่านถือว่าทางจงกรมนี้คือ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 อันเป็นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายของกิเลสมันบีบบี้สีไฟนั่นเองจากนั้นก็วิทยุให้ตัดออกอันนี้ก็เป็นเรื่องข่าวเรื่องคราวเรื่องยุยงก่อกวนกจิตใจให้ฟุ้งเฟอ้เอเห่อเหิมไปตามมันเทวทัศโทรทัศวิดีโอนี่เป็นตัวสำคัญมากอันนี้อันหนึ่ง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 ท่านเมตตาช่วยเหลือราษดรและฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมบริเวณพื้นที่ป่าลุ่มน้ำป่าสักเขตบ้านดงคล้อบ้านน้ำเที่ยงบ้านสามแยกตําบลวังกวางอําเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นภูเขาสูงชันเป็นต้นน้ำลำธาร ของแม่น้ำสำคัญหลายสายได้แก่น้ำเลยน้ำฟองซึ่งสภาพพื้นที่บริเวณดังกล่าวในขณะนั้นถูกบุกรุกแพ้วทางป่าทำไร่เลื่อนลอยจนสภาพป่าถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงในเรื่องนี้ท่านให้เหตุผลว่าที่ดินเวลานี้2537 ก็สิบกว่าล้านแล้วที่ซื้อเนื้อที่ดูเหมือนได้เจ็ดพันกว่าไร่แล้วหลายแห่งทางด้านเพชรบุร์ก็มีที่เราซื้อไวน้นี้ไว้เพื่อชาติบ้านเมืองนะเราไม่ได้ซื้อโดยลำพังเราเองนะมันเป็นต้นน้ำลำธารเช่นต้นน้ำจังหวัดเลยนี่ที่ผ่านมาทางอำเภอวังสะพุงนี้แหละน้ำหมดได้สองแรงนี้แล้ว ต้นน้ำมันอยู่ตรงนั้นเราเลยซื้อครอบไว้หมดเลยเวลานี้ก็มีโครงการพระราชดำริประสานงานเข้ามาในเราเราบอกเอาเลยให้เลยเพราะเราซื้อนี้ซื้อไว้เพื่อชาติหลวงสาบัวไม่มีอํานาจวาสนาอะไรมากนักวาสนาของพระอํานาจของพระไปเรื่องของพระไม่ใช่เป็นเรื่องแบบโลกทีนี้ เมื่อทหารมาขอประสานงานเกี่ยวข้องด้วยทหารเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้รักษาได้เราก็ยกให้ทหารเป็นผู้รักษาแทนเราไปเลยรู้สึกสะดวกดีทุกอย่างอยากจะปลูกป่าก็เอาช่วยกันปลูกรักษาตรงไหนตรงไหนที่มันจะมีความแน่นหนามั่นคงต่อชาติแล้วเอาเลยเราก็มอบให้ทางทหารเลยเวลานี้ เราเบาใจมากแล้วเป็นแต่เพียงว่าซื้อให้ซื้อให้ใ ห, ให้ทางทหารเป็นผู้ดูแลคุณค่าของต้นไม้ป่าเขาต่อการบำเพ็ญจิตตภาวนาเป็นสิ่งที่ท่านพูดอยู่เสมอๆว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนพระให้อยู่ป่าการอยู่ให้อยู่ด้วยการพิจารณาอยู่แบบอัดแบบรม ไม่ใช่ไปอยู่ป่าแบบสัตว์เพราะสถานที่เช่นนี้เป็นที่ชั้นเอกในการบำเพ็ญเพียรไม่มีคนไปยุ่งกว่วัดที่ขัานให้การช่วยเหลือส่วนใหญ่จึงพยายามรักษาสภาพที่เป็นธรรมชาติป่าเขาแหล่งต้นน้ำลำธารไว้ให้มากที่สุดพระเนนคุลบุตรสุดท้ายภายหลัง จะได้มีสถานที่สงบสงัดในการบำเพ็ญเพียรในเรื่องนี้ท่านเคยกล่าวว่าวัดดงสีชมพูอําเภอโซ่พิสัยจังหวัดหนองคายเป็นวัดประเภทที่หนึ่งผาแดงหมายถึงวัดภูผาแดงอําเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีเหล่านี้ที่หนึ่งทั้งนั้นอยู่ภาวนาได้ทั่วไป หลกลีกไปหาที่ภาวนาได้สะดวกสบายสงวนไว้แล้วก็ยังที่ที่ซื้อไว้ที่น้ําหนาวอําเภอน้ําหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นก็เป็นประเภทที่หนึ่งที่หนึ่งเพราะดงกว้างซื้อครอบไว้หมดเลยพระอยู่สามย่านด้วยกันสงวนป่าเอาไว้สําหรับลูกหลานต้นน้ําลําทานจะไม่มีเหลือ ถ้าไม่สงวนป่าเอาไว้อันนี้มันอยู่รอบของต้นน้ำลำธารด้วยซื้อครอบไว้หมดน้ำฝนตกมาจากเขามันชุ่มเย็นไหลลงมาแม้แต่แม่น้าเลยนี้ก็มาจากนั่นนะแม่น้าเลยวังสะพุงนี่มาจากที่เราซื้อครอบไว้โนนหมดมีอยู่สองสามสายแม่น้ำที่ไหลมาจากที่เราซื้อครอบเอาไว้ตอนนี้ พักทางโน้นก่อนทำประโยชน์อย่างอื่นหมุนไปทางอื่นเรื่องหมุนนี่ไม่ถอยแหละหมุนไม่หยุดหมุนเรื่อยๆช่วยทางโน้นช่วยทาง น, น, างนี้จะทำยังไงความทุกข์ความจนไม่โดนใครเข้าก็ดูดีถ้าโดนเข้าเท่านั้นก็พอแล้วหงายไปเลยใครจะอยากโดนโดนทุกข์ไม่มีกินอยู่ได้หรือมนุษย์เรา จะปลูกของอะไรพืชผลต่างๆปลูกไม่ได้น้ำไม่มีแผ่นดินไม่ชืน้นแห้งผากอย่างนี้ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นถ้าแผ่นดินมันชื้นแล้วปลูกมันก็ขึ้น